ย่อมฟุ้งเฟื่องแล้วดับไปหายไปฉันใดสมเด็จพระบรมโลกนาณ ศ, ศาสดาจารย์เปรียบปานดูดลมพายุใหญ่อันพัดมาแล้วดับไปนั้นสมเด็จพระสัพพันธุ์อยู่เจ้าก็เหมือนกันยังหมื่นโลกกาธาตุให้วันไหวพัดฟุ้งเฟื่องไปและพัดฟุ้งเฟืองไปนั้นคือแผ่พระเมตตาพรหมวิหารอันกเกษมสารสุ ข, ขุมเย็นใจ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 การนานไปภายภาคหน้าตาถาคตจะได้อยู่เป็นครูสั่งสอนท่านทั้งหลายหาไม่ได้เหตุไรจรึงว่าดังนี้เหตุว่าตาถาคตจะนิพานไปก็แหละพระสิธรรมคือพระวินยัยพระสูตรพระประมัติที่ตาถาคตตรัสเทศนาไว้นั้นนั่นแหละจะอยู่เป็นครูสั่งสอนท่านทั้งปวงในอนาค ต, ตการและคำที่เดรัจฉีกล่าวว่า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 แกสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเข้าพระนิพพานไปไม่มีความยินดีไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์จะให้ได้ซึ่งไตรพิทสมบัติสามประการดุจพน า, นามาชนี้มหาราชขอถวายพระพ่อนบพิษพระราชสมภารจงทรงสวนาการเหตุอันอื่นให้ยิ่งกว่านี้นี่แนบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคาร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 พระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นจะได้มีความยินดีหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถามไปเล่าว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเมื่อคนทั้งหลายไม่ได้ยินดีก็ชนไหนฉันนวุติโรคเหล่านี้จึงบังเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุประการใด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 แผ่นดินสูบเอานนทยษ์ไปด้วยอากุศลกรรมนนทยษ์กระทำไว้แก่กล้าพระน่าเกษจึงมีเทระวาจามหาราชขอถวายพระพรถ้าว่านนทยาคแพ่นดินสูบเอาไปนั้นเป็นด้วยอากุศลกรรมของนนทยษ์กระทำไว้แก่กล้าถ้าว่าชนนี้แล้วพระสารีบุตรท่านก็ไม่ยินดีที่จะให้แผ่นดินสูบนนทยา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 ไม่ได้พระนาคเษน จ, จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระ พ, พรบพิพราชสมภารถ้าว่าสมเด็จพระบรมโรคกน า, าสดาจารย์ไม่ยินดีที่จะให้ใครไปอวิจีให้ธรณีสูบเอาไปผู้ใดประทุษร้ายต่อพระองค์เจ้าแผ่นดินจึงสูบไปฉชนนี้แล้วคำเดรถีว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเข้าพระนิพพานไป